สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราอยู่ที่โคนต้นรังใหญ่ในป่าสุภคะวันใกล้เมืองอุ ก, กัตถา ก็สมัยนั้นแลพระกพรมได้มีทิฏฐิอันชั่วเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าพรหมสถานนี้เที่ยงนิจจังยั่งยืนทุวังมีอยู่ตลอดการสัตสตังเป็นไกลวันแกวลังไม่มีการจุติต่อไปอีกเป็นธรรมดาอาจจะว่าน่าทำมังพรหมสถานนี้ไม่เกิดนาชายติ ไม่แก่นชีรติไม่ตายนามียติไม่จุตินาจวตัติไม่อุบัตินาอุปัชติและนิสระณะอย่างอื่นที่สูงกว่าหรือยิ่งกว่าพรหมสถานนี้ไม่มีนิสระณะแปลว่าการออกไปจากทุกข์หรือเหตุอันเป็นที่ออกไปจากทุกข์ดูกระภิกษุทั้งหลาย เมื่อเราได้ทราบทิศทีอันชั่วของพระกพรมเกิดขึ้นเช่นนั้นจึงได้อันตรท า, านคือหายวับไปในทันทีจากที่โคนต้นรังใหญ่ในป่าสูบพระวันใกล้เมืองอุ ก, กัตถาแล้วไปปรากฏตัวอยู่ในพรหมโลกอย่างรวดเร็วชั่วระยะเหมือนกับบรุษที่มีกำลังเหยียดแขนที่คู้อยู่ออกไป หรือคู่แขนที่กําลังเหยียดเข้ามาชันนาร์ไปได้เร็วช่วยดีดนิ้วมือดูกะระภิกษุทั้งหลายพระกพรมได้เห็นเราผู้มาแต่ไกลแล้วได้พูดกับเราว่าดูกระระท่านผู้นิรทุกข์เชิญมาเถิดท่านมาดีแล้วเป็นเวลานานทีเดียวที่ท่านคิดที่จะมาในที่นี้ดูกระระท่านผู้นิรทุกข์ พรหมสถานนี้เที่ยงยั่งยืนมีอยู่ตลอดการเป็นไกลวันไม่มีการจุติต่อไปอีกเป็นธรรมดาพรหมมาสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติและนิสรณะอย่างอื่นที่สูงกว่าหรือยิ่งกว่าพรหมสถานนี้ไม่มีภิกษุทั้งหลายเมื่อพระกะพรมได้กล่าวกับเราอย่างนี้ เราจึงได้กล่าวกับพระกพรมนั้นว่าพระกพรมท่านน่าอยู่ในวิชาประกอบด้วยวิชาจึงได้กล่าวสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่ไม่ยั่งยืนว่ายั่งยืนสิ่งซึ่งไม่มีอยู่ตลอดกาลว่ามีอยู่ตลอดกาลสิ่งที่ไม่ใช่ไกลวันว่าเป็นไกลวันสิ่งที่จะต้องมีการจุติว่าไม่มีการจุติก็ในพรหมสถานนี้ มีสัตว์มาเกิดและมีแก่มีตายมีจุติมีอุบัติคือยังมีการจุติแล้วไปไปสนทิในภูมิหรือในภพอื่นได้อีกแต่ท่านกลับมากล่าวว่าพรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติและนิสรณ ะ, ะอย่างอื่นซึ่งสูงกว่าพรหมสถานนี้มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มี แต่ท่านก็กลับมากล่าวว่านิสรณะอย่างอื่นนอกจากพรหมสถานนี้ไม่มีพ ร, มพระกระพรมเพราะเหตุที่ท่านอยู่ในวิชาประกอบด้วยวิชาจึงได้กล่าวเช่นนั้นดูกระพริภิกษุทั้งหลายเมื่อเราได้กล่าวอย่างนี้แล้วมารผู้มีบาปคือภรยา ม, มารที่เคยขัดขวางพระพุทธองค์ มาตั้งแต่เริ่มเสด็จออกทรงพันวดนั่นและก็ได้เข้าสิงกายของพรมปาริสัตชาผู้หนึ่งแล้วกล่าวกับเราว่าดูกระพิษุท่านอย่าลุกรานพระกพรมผู้นี้เลยท่านอย่าลุกรานพระกพรมผู้นี้เลยเพราะพระกรพรมผู้นี้เป็นมหาพรมเป็นอภิภูคือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เป็นอนาณพิภูโตคือไม่มีใครครอบงำหรือไม่มีใครมีอำนาจเหนือเป็นอัญญัตทุตโสคือเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงสัพพังปสติอัตถกถาเป็นวาสวัตติคือเป็นผู้มีอำนาจเหนือชนอื่นทั้งหมดสัพพังช่นังวเสวัตเตติอัรถกถาเป็นอิสโรคือเป็นใหญ่ในโลก โลแกอิสรโรอัตกถาเป็นกัตตาเป็นนิ ม, มิตาคือเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้เนรมิตโลกกล่าวคือแผ่นดินป่าหิมพผานเขาซิเนรุจักรวาลมหาสมุทรดวงจันดวงอาทิตย์พระกพรมก็เป็นผู้สร้างเป็นผู้เนรมิตเป็นเชิโถคือเป็นผู้ประเสริฐสุด เป็นสัตชิตาคือเป็นผู้แต่งตั้งเป็นผู้จัดสรรสัตว์โลกคือใครจะเกิดมาเป็นอะไรเช่นจะเกิดมาเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือใครจะเป็นเครือข่าเป็นบรรพชิตก็สุดแล้วแต่พระพรหมจะให้เป็นโดยที่สุดสัตว์จะเกิดมาเป็นอูดเป็นโคหรือจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตาม ก็สุดแล้วแต่พระกรพรมพจะบงการเป็นผู้มีอำนาจและเป็นบิดาของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วและกำลังจะเกิดวสีปดตาภูตาภ พ, พยานางังดูกระภิกษุทั้งหลายปาริสัจชาพรมพเมื่อได้กล่าวกับเราอย่างนี้แล้วยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าดูกระระภิกษุจงสังเกตว่า พระยามานซึ่งสิงอยู่ในร่างของพรมปราริสัทชาก็พูดกับพระพุทธเจ้าโดยใช้คำเริ่มต้นว่าดูกระภิกสูเหมือนกันพวกสมณะพรามทั้งหลายบางจำพวกในโลกนี้ในสมัยก่อนที่เป็นผู้ติเตียนเป็นผู้เกลียดดินน้ำลมไฟคือติว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เป็นผู้ติเตียนพูดเกลียดพูดเป็นผู้ติเตียนเทวดาเกลียดเทวดาเป็นผู้ติเตียนประชาบดีเกลียดประชาบดีเป็นผู้ติเตียนพรมเกลียดพรมคือติว่าพวกเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นสมณะพรามเหล่านั้นเมื่อกายแตกขาดลมปรานแล้ว ก็ต้องไปเกิดในกายต่ําคือเกิดในอบายภูมิส่วนสมณพรามทั้งหลายที่สันเสริญชมเชยดินน้ำลมไฟสันเสริญพูดเทวดาประชาบดีคือสันเสริญชมเชยพวกเหล่านี้ว่ามั่นคงยั่งยืนมีอยู่ตลอดกาลนานเมื่อกายแตกขาดลมปรานแล้ว ก็จะไปเกิดในกายประณีคือเกิดในพรหมโลกดูกระภกิกษุเพราะเหตุนั้นเราจึงขอบอกกับท่านอย่างนี้ว่าท่านผู้นิรทุกข์ขอท่านจงทำตามคำที่พรหมบอกแก่ท่านเท่านั้นท่านจงอย่าฝ่าฝืนคำของพรหมเลยเพราะถ้าท่านจากฝ่าฝืนคำของพรหมโทษจากมีแก่ท่านเปรียบเหมือนบุรุษ เอาท่อนไม้ไล่ตีสิริที่มาหาตนคือขับไล่สิริมงคลที่มาหาตนหรือเปรียบเหมือนบุรุษผู้จะตกอยู่ในเหวที่ลึกซึ่งในที่สุดก็จะต้องตกเหวจนได้เพราะยือนอยู่ที่ปากเหวอยู่แล้วและเนื่องจากที่ปากเหวนั้นก็ไม่มีอะไรที่มือจะเหนี่ยวรังไว้ได้และไม่มีที่ซึ่งเท้าจะตั้งไว้ได้หรืออีกอย่างหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษผู้จะตกเหวหนรกก็จะพึงพลาดซึ่งแผ่นดินคือลื่นถลายจากแผ่นดินพร้อมทั้งมือและเท้าคือมือก็คว้าอะไรไม่ได้เท้าก็ยืนอยู่กับอะไรไม่ได้ฉะ่นนั้นท่านจึงควรจะทำตามคําที่พรหมบอกไว้เท่านั้นท่านจงอย่าฝ่าฝืนคําของพรหมเลยและอีกอย่างท่านก็เห็นแล้ววิใช่หรือว่า ในที่นี้มีพรมบริษัทมาประชุมกันมากมายซึ่งล้วนแต่มีรศมีรุ่งเรืองตั้งอยู่ในอาวาดของพรหมผู้นี้เท่านั้นภิกษุทั้งหลายมารผู้มีบาปเมื่อได้กล่าวกับเราเช่นนี้เราจึงได้พูดกับมาร น, นั้นว่านี่มารเรารู้จักท่านนะท่านอย่าเข้าใจว่าพระสมณะไม่รู้จักเรา ท่านหน้าเป็นมารพรมก็ดีพวกพรมบริษัทก็ดีพวกพรมปาริษัทชาก็ดีทั้งหมดนี้อยู่ในกำมือของท่านตกอยู่ในอำนาจของท่านแล้วท่านก็คิดว่าแม้สมณะผู้นี้ก็ต้องอยู่ในกำมือของเราตกอยู่ในอำนาจของเรานี่มารแต่เราไม่ได้อยู่ในกำมือของท่านไม่ตกอยู่ในอำนาจของท่าน ดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วพระกรพรมก็ได้กล่าวกับเราอีกว่าดูกระท่านผู้นิรทุกข์ก็สิ่งที่เทียแท้ยั่งยืนมีอยู่เสมอเป็นกายวันคือไม่หักเป็นท่อนเป็นชิ้นเป็นอันแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นนั้นตลอดกาลไม่มีการเคลื่อนต่อไปอีกเป็นธรรมดา คือไม่มีการจุติปฏิสนธิอีกแล้วมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเราก็กล่าวว่าสิ่งนี้มีอยู่คือพรมสถานแห่งนี้ไงล่ะก็และในพรมสถานนี้ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีตายไม่จุติไม่อุบัติและนิสรณะอันเป็นที่ออกไปจากทุกข์ที่สูงกว่ายิ่งกว่าพรมสถานนี้ไม่มีฉะนั้น เราจึงได้กล่าวเช่นนี้และอีกอย่างหนึ่งสมณะพราหมณ์ทั้งหลายในโลกซึ่งได้มีมาก่อนท่านซึ่งได้บำเพ็ญตบะมานานตลอดชีวิตก็รู้ว่านิสระณะอย่างอื่นที่สูงกว่ายิ่งกว่านี้คือสูงกว่ายิ่งกว่าพรมสถานนี้มีหรือไม่มีเหตุไรเราจึงกล่าวเช่นนี้ เรากล่าวเช่นนี้ก็เพราะรู้อยู่ว่าท่านจักไม่เห็นทิศรณาอย่างอื่นที่ยิ่งกว่านี้อีกแล้วฉะนั้นเมื่อท่านไม่ยอมรับความจริงดังที่เราได้กล่าวมาท่านก็จักได้รับแต่ความลําบากความคับแค้นโดยส่วนเดียวเท่านั้นดูกระพิสุถ้าท่านจักกลืนกินแผ่นดินได้คือนับถือแผ่นดินบูชาแผ่นดิน ท่านก็จักได้ชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้เรานอนในที่อยู่ของเราเราพึงทำกับท่านได้ตามประสงค์และเราพึงห้ามท่านได้คือป้องกันอันตรายให้ได้และถ้าท่านจากกลืนกินน้ำไฟลมพูดทั้งหลายเทวดาประชาบดีและพรมได้ท่านก็จักชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้เรานอนในที่อยู่ของเรา เราพึงทํากับท่านได้ตามประสงค์และเราพึงห้ามท่านได้มีความหมายเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อพระกพรมได้กล่าวเช่นนั้นทถาคตจึงได้กล่าวกับพระกพรมว่าเรื่องทั้งหมดที่ท่านกล่าวมานานเรารู้เหตุผลในการกล่าวของท่านได้ตลอดและยังรู้อีกด้วยว่าท่านมีคติอย่างไรมีอนุภาพอย่างไร มีฤทธิ์อย่างไรมีศักดิ์อย่างไรเมื่อตถาคตกล่าวเช่นนี้แล้วพระกพรมจึงได้ถามเราว่าดูกระระท่านพูดนีรทุกเมื่อท่านรู้คติอนุภาพฤทธิ์และศักดิ์ของเราเช่นนั้นก็จงบอกเราเถิดว่าเรามีสิ่งเหล่านี้มากน้อยเท่าไหร่ครั้นแล้วตถาคตจึงได้บอกกับพระกพรมว่า ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโครจรส่องแสงสว่างไปทั่วทุกทิศในพันจักรวาล น, นี้เท่าไรอํานาจของท่านย่อมเป็นไปในพันจักรวาล น, นี้เท่านั้นและท่านยมรู้จักสัตว์ทั้งที่เลวและประณีตรู้จักสัตว์ที่มีราคะและสัตว์ที่ไม่มีราคะรู้จักความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างนั้นของสัตว์ทั้งหลาย รู้การไปและการมาของสัตว์ทั้งหลายภักกระพรมเพราะย่อมรู้แจ้งซึ่งคติและชุติคือฤทธิ์หรืออนุภาพของท่านเช่นนี้รู้แจ้งว่าท่านมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้มีศักดิ์มากอย่างนี้แลดูกระระภักกระพรมเทพนิตกายอย่างอื่นนอกจากเทพนิกายนี้ คือนอกจากเทพนิกายในชั้นมหาพรหมนี้ยังมีอีกสามอย่างแต่ท่านไม่รู้ไม่เห็นเทพนิกายเหล่านี้เลยส่วนเรารู้และเห็นเทพนิกายสามอย่างนั้นเทพนิกายหนึ่งชื่อว่าอาภัสระความจริงเมื่อก่อนท่านเคยเกิดอยู่ในหมู่เทพนิกายนั้นแต่เพราะเหตุที่ได้จุติ จากเทพนิกายนั้นมาเกิดอยู่ในเทพนิกายมหาพรหมนี้มาเป็นเวลานานนักหนาท่านจึงได้หลงลืมเทพนิกายนั้นนึกถึงเทพนิกายนั้นไม่ได้เลยฉะนั้นจึงไม่เห็นเทพนิกายนั้นส่วนเรารู้และเห็นเทพนิกายนั้นแม้เพียงแค่นี้เราก็มีอภิญยาสูงกว่าท่านแล้วฉะนั้น ที่ท่านคิดว่าเราต่ำกว่าท่านนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรที่แท้เราเป็นผู้มีอภิญญาสูงกว่าท่านโดยแท้นอกจากนี้เทพบุกายชื่อว่าสุภกินนหะเทพบุกายชื่อว่าเวหัพละมีอยู่แต่ท่านก็ไม่รู้ไม่เห็นส่วนเรานั้นรู้และเห็นเทพบุกายทั้งสองนี้ และเมื่อก่อนท่านก็เคยเกิดอยู่ในเทพนิกายทั้งสองนี้แต่เพราะเหตุที่ได้จูติจากเทพนิกายทั้งสองนี้มานานนักหนานับเป็นกับท่านจึงได้หลงลืมจำเทพนิกายเหล่านี้ไม่ได้ฉะนั้นจึงไม่รู้ไม่เห็นเทพนิกายเหล่านี้ส่วนเรารู้และเห็นเทพนิกายที่กล่าวนี้แม้เพียงแค่นี้ เราก็มียพิญญาสูงกว่าท่านฉะนั้นที่ท่านคิดว่าเราต่ำกว่าท่านนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรที่แท้เราเป็นผู้เมียพิญญาสูงกว่าท่านโดยแท้ยังมีอีกภักดพรมเรื่องดินน้ำลมไฟเป็นอย่างไรเกิดมาเป็นอย่างไรเราก็รู้แจ้งตามความเป็นจริงทั้งหมดพูดเทวดา ประชาบดีพรหมทั้งหลายเราก็รู้แจ้งตามความเป็นจริงทั้งหมดตลอดทั้งอภิภูพรหมพรหมผู้ยิ่งใหญ่กว่าใครทั้งหมดเราก็รู้จักบรรดาสิ่งทั้งหลายทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้หรือในโลกไหนเราก็รู้แจ้งตามความเป็นจริงทั้งหมดแต่เมื่อเรารู้แจ้งสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็มีได้ยึดถือ ไม่ได้ยินดีในสิ่งเหล่านี้พกพระพรมนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเรารู้แจ้งและสิ่งสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นดินน้ำไฟลมไม่ใช่เป็นพูดเป็นเทวดาเป็นประชาบอดีเป็นอาภัสราเป็นสุภากินอาหาเป็นเวหภัลละเป็นอภิภูคือไม่เป็นอะไรทั้งสิ้น ในบรรดาสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่เป็นอยู่และถึงแม้เราจะรู้แจ้งสิ่งสิ่งนี้แต่ก็ไม่ได้ยึดถือว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นตัวเราหรือเป็นของของเราภิกษุทั้งหลายเมื่อตาถาคตได้กล่าวเช่นนี้พระกะพรมก็ได้พูดขึ้นว่าเมื่อท่านรู้เช่นนี้ก็อย่าให้คําพูดของท่านเป็นของว่างเปล่าพูดขึ้นมาลอ ย, ลอย โดยไม่เป็นความจริงคืออย่าพูดเฉยเฉยโดยไม่บอกว่าสิ่งนั้นคืออะไรมีได้อย่างไรครั้นแล้วตถาคตจึงได้กล่าวว่ามีอยู่สิ่งทิ่จะพึงรู้แจ้งได้วิญญาณังแต่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเป็นอนันตะคือมีอยู่เสมอไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีที่สุดไม่มีการเกิดดับ เป็นสัพพโตภกังคือมีรัศมีโดยรอบส่องแสงอยู่เสมอตลอดกาลก็ในสิ่งสิ่งนี้ไม่มีดินไม่มีน้าไม่มีไฟไม่มีลมไม่มีพูดไม่มีเทวดาไม่มีประชาบอดีไม่มีอาภสราไม่มีสุภากินนาหะไม่มีเวหัะภะละไม่มีอภิภูไม่มีอะไรทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งนี้เราก็รู้แจ้งตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้เช่นนี้เราก็ได้ชื่อว่ามีอภิญญาสูงกว่าท่านฉะนั้นที่ท่านคิดว่าเราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรที่แท้เราเป็นผู้มีอภิญญาสูงกว่าท่านโดยแท้ภิกษุทั้งหลาย เมื่อตาถาคตได้กล่าวเช่นนั้นแล้วพระกะพรมก็ได้พูดกับเราว่าดูก่อนท่านพูดนิรทุก์เราขออนุญาตหายตัวไปจากท่านในบัดนี้นะเมื่อพระกะพรมพูดเช่นนั้นเราก็ได้กล่าวว่าเชิญเถิดพระกะพรมถ้าท่านคิดว่าท่านจะหายตัวไปจากเราได้ภิกษุทั้งหลายพระกะพรมพูดว่า เราจักหายตัวไปจากพระสมณโคดมเราจักหายตัวไปจากพระสมณโคดมแต่แล้วก็ไม่อาจหายตัวไปได้ลำดับนั้นเราจึงได้กล่าวกับพระกพรมบ้างว่าดูกระหะพระกพรมถ้าเช่นนั้นคือเมื่อท่านหายตัวไม่ได้ในบนัดนี้เราก็จะหายตัวไปจากท่านบ้าง พระกพรมจึงได้กล่าวว่าดูกระหะท่านผู้นิรทุกข์ถ้าท่านสามารถหายตัวไปได้ก็จงหายตัวไปเถิดทิกสุทั้งหลายลำดับนั้นเราจึงได้บรรดาลอิทธาพิสังขารให้เป็นอย่างนั้นคือใช้อิทธาพิสังขารบรรดาลให้ตัวหายครั้นแล้วพระกพรมก็ดีพวกพรหมบริษัทก็ดี พวกพรมปาริสัทชาก็ดีได้ยินแต่เสียงเราเท่านั้นแต่ไม่ได้เห็นตัวเราเพราะในขณะที่เราหายตัวไปนั้นเราได้กล่าวคาถานี้ว่าเราเห็นภายในพบและเห็นพบของสัตว์ทั้งหลายและเห็นผู้สแสวงหาวิภาวะพพวิภาวะเวสินังแล้วเราไม่สรรเสริญพบเลย ทั้งไม่ยินดีไม่ยึดถือในพบใดๆด้วยดูกะหะภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพระกพรมก็ดีพวกพรมบริษัทก็ดีพวกพรมปาริษัทชาก็ดีได้เกิดอัศจรรย์ใจว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอหน้าประหลาดจริงหนอท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยพระสมณโคโดมผู้นี้ช่างมีฤทธิ์มาก มีอนุภาพมากถึงเพียงนี้เทียวหนอก่อนแต่นี้พวกเราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินว่าจะมีสมณะพรามผู้ใดที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหมือนสมณโคโดมผู้ออกขนวดจากสักยะสกุลผู้ซึ่งได้ถอนพบพร้อมทั้งรากเงาของพบได้หมดแล้วนี่เลยคือไม่ต้องเกิดในพบใดๆอีก เพราะความยินดีและความหลงผิดคือตัณหาอาวิชชาในภพนั้นได้ถอนออกหมดแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายต่อจากนั้นมารผู้มีบาปก็เข้าสิงกายพรมปาริสัชะาผู้หนึ่งแล้วกล่าวกับเราว่าดูกระท่านผู้นิรทุกข์ถ้าท่านรู้แจ้งอย่างนี้ตรัสรู้อย่างนี้ ก็อย่าแนะนำอย่าแสดงธรรมอย่าได้กระทำความยินดีแก่พวกสาวกแก่พวกบรรณชิตทั้งหลายเลยเพราะว่าพวกสมณพราหมณ์ในสมัยก่อนท่านผู้ซึ่งได้ปฏิญาว่าเป็นพระราหารันเป็นสัมมาสัมพุทธะในโลกสมณพราหมณ์พวกนั้นได้แนะนำได้แสดงธรรม ได้ทำความยินดีแก่พวกสาวกแก่พวกบรรพชิตทั้งหลายนั้นเมื่อกายแตกขาดลมปราณแล้วก็ได้ไปเกิดในกายต่ำคือเกิดในอบายภูมิส่วนสมณาพราหมณ์ผู้ที่ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหรันเป็นสัมมาสัมพุทธะแต่ไม่แนะนำไม่แสดงธรรมไม่ทำความยินดีแก่สาวก แกบรรพชิตทั้งหลายนั้นเมื่อกายแตกขาดลมปราณแล้วก็ไปเกิดในกายที่ประณีตคือเกิดในพรหมโลกเพราะเหตุนี้เราจึงขอบอกกับท่านว่าท่านผู้นิรทุกข์ขอท่านจงเป็นผู้ขนขวายน้อยคืออย่าคิดสอนใครประกอบแต่ความสุขในการอยู่ในสมาธิทั้งกลางวันและกลางคืนเถิด ท่านผู้นิรุตุกการไม่กล่าวสอนใครนั้นเป็นกุศลฉะนั้นจงอย่าสอนผู้อื่นเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อมารกล่าวเช่นนี้แล้วตถาคตจึงได้กล่าวกับมารว่านี่มารผู้มีบาปเรารู้จักท่านนะท่านอย่าเข้าใจว่าพระสมณะไม่รู้จักเราท่านน่าเป็นมารถ้าท่านมีจิต คิดจะเกื้อกูลอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายแล้วท่านจะไม่กล่าวกับเราเช่นนี้แต่เพราะเหตุที่ท่านไม่มีจิตที่จะเกื้อกูลอนุเคราะห์ใครๆจึงได้กล่าวกับเราเช่นนี้และอีกอย่างหนึ่งท่านคิดว่าถ้าพระสมณะโคโดมแสดงธรรมสั่งสอนชนเหล่าใดคนเหล่านั้นก็จะล่วงพ้นวิสัยของเราไป ท่านจึงได้กล่าวกับเราเช่นนั้นและอีกอย่างพวกสมณะพรามที่ท่านอ้างว่าท่านเหล่านั้นได้ปิญญาว่าตนเองเป็นพระราหารันเป็นสัมมาสัมพุทธะและไม่เทศนาสั่งสอนใครนั้นความจริงท่านเหล่านั้นไม่ใช่เป็นพระราหารันไม่ใช่เป็นสัมมาสัมพุทธะ ส่วนเรานั้นเป็นพระราหารันเป็นสัมมาสัมพุทธะและปฏิญาว่าเป็นพระราหันสัมมาสัมพุทธะนี่มานผู้มีบาปท่านจงรู้ไว้ด้วยว่าเรานั้นจะแสดงธรรมหรือไม่ได้แสดงธรรมจะแนะนำพวกสาวกหรือไม่แนะนำพวกสาวกเราก็เป็นเช่นนั้น คือเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดการไม่ใช่ว่าเมื่อแสดงธรรมแนะนำสาวกทั้งหลายแล้วก็เป็นอย่างหนึ่งและถ้าไม่ได้แสดงธรรมแนะนำสาวกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทั้งนี้เป็นเพราะเหตุไรก็เพราะอาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องเศร้าหมองทำให้มีพบอีกทำให้เกิดความกระวนกระวาย คือทำใจไม่ให้สงบมีแต่จะให้ผลเป็นทุกข์ทำให้มีชาติชราโมรณะต่อไปอีกนั้นเราตถาคตละได้ขาดแล้วถอนรากถอนงาวึ้นแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งแล้วทำให้ไม่มีอีกต่อไปแล้วมีความไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดยอดแล้ว ย่อมไม่อาจที่จะงอกเงยขึ้นมาได้อีกฉันใดก็ฉันนั้นวิยากรณภาสิทธิ์คือพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วโดยมานไม่ได้ขอร้องแต่พรมเชื่อเชิญให้ตรัสเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้จึงมีชื่อว่าพรมนิมันตะนิกาสูตรซึ่งแปลว่าพระสูตรที่พรมเชิญให้ตรัส จากเรื่องพระกรพรมที่กล่าวมานี้เราจะได้ข้อคิดหลายอย่างประการแรกก็คือทำให้เรารู้เข้าโครงหรือที่มาของลัทธิศาสนาที่สอนว่ามีพระเจ้าผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกแต่ถ้าศึกษาเพียงแค่นี้ก็อาจจะยังไม่เข้าใจชัดเพราะจากพระสูตรนี้พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสบอกว่า ข้ามหาพรหมผู้เข้าใจว่าตนเป็นผู้สร้างโลกสร้างสิ่งทั้งปวงในโลกนั้นได้ถ่ายทอดความคิดอันนี้มาสู่โลกนี้ได้อย่างไรถ่ายทอดมาทางไหนโดยวิธีการอย่างไรซึ่งความจริงเรื่องนี้ทัพพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอกไว้แล้วเช่นกันกล่าวคือพระองค์ได้ตรัสเรื่องนี้ไว้ในพรหมชาลสูตร ซึ่งในพระสวรนี้ได้กล่าวถึงเรื่องทิศทิ62ประการหรือพูดอีกในหนึ่งคือพระพุทธเจ้าได้ทรงประมวลบรรดาลัทธิาศาสนาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสมัยนั้นว่ามีอะไรบ้างและแต่ละลัทธิเกิดขึ้นมาอย่างไรมีความผิดความบกพร่องมีความไม่ถูกอยู่ตรงไหนและมีส่วนที่ถูกต้องอย่างไรบ้าง พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าไว้ทั้งหมดและเนื่องจากพระสูตรนี้มีข้อความที่ยาวมากคือเฉพาะเนื้อหาที่เป็นพุทธพจน์แพแท้ก็ยาวแล้วและถ้าอ่านแต่พุทธพจน์ล้วนๆโดยไม่ได้ดูหนังสืออัตถกาถาและคำภีร์อื่นๆ อ, อ, อีกก็ยากที่จะเข้าใจเรื่องราวได้ถูกต้องและข้อความต่อไปนี้เป็นตอนหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงที่มาของลัทธิที่สอนว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกสร้างสิ่งทั้งปวงในโลกและเป็นผู้บงการโลกเป็นผู้ลิขิตโลกอย่างที่เรียกกันว่าพรหมลิขิตคือใครจะเกิดมาเป็นอะไรนั้นสุดแล้วแต่พระเจ้าจะบงการหรือจัดสรรซึ่งสมัยนั้น คำว่าพระเจ้านั้นเรียกกันว่าพระพรหมข้อความที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นมีดังนี้ห้าจุดหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบางครั้งบางคราวมีสมัยที่โลกนี้พินาศโดยล่วงไปช้านานเมื่อโลกกำลังพินาศอยู่เหล่าสัตว์โดยมากย่อมเกิดในชั้นอาภัสรพรหม สัตว์เหล่านั้นมีกายสำเร็จด้วยใจมีปีติเป็นอาหารมีรสมีในตัวเองเที่ยวไปในอากาศอยู่ในสถานที่สวยงามดำรงอยู่ในภพนั้นตลอดการชาานลาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบางครั้งบางคราวมีสมัยที่โลกนี้กลับเจริญโดยร่วงไปชาา น, านเมื่อโลกกำลังเจริญอยู่ปรากฏว่า วิมานพรมว่างเปล่าครั้งนั้นสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นอาภัสราพรมเพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญย่อมเข้าถึงวิมานพรมที่ว่างเปล่าแม้สัตว์ผู้นั้นก็มีกายสำเร็จด้วยใจมีปีติเป็นอาหารมีรสมีในตัวเองเที่ยวไปในอากาศได้อยู่ในสถานที่สวยงาม ดำรงอยู่ในพพนั้นตลอดกาลช้านานเพราะสัตว์ผู้นั้นอยู่ในพพนั้นแต่ผู้เดียวเป็นเวลานานจึงเกิดความประสันริ้นรนขึ้นว่าโอหนอแม้สัตว์เหล่าอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้างต่อมาสัตว์เหล่าอื่นก็จุติจากชั้นอาภัสรพรมเพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญย่อมเข้าถึงพรมวิมาน เป็นสหายของสัตว์ผู้นั้นแม้สัตว์เหล่านั้นก็มีกายสำเร็จด้วยใจมีปีติเป็นอาหารมีรสมีในตัวเองเที่ยวไปในอากาศได้อยู่ในสถานที่สวยงามนํอรงอยู่ในภพนั้นตลอดกาลช้านานดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์ที่เกิดก่อนมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เราเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ไม่มีใครข่มได้เห็นท่องแท้เป็นผู้ใช้อํานาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้เนรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการเป็นผู้มีอํานาจเป็นบิดาของหมูสัตว์ผู้เป็นแล้วและกําลังเป็นสัตว์เหล่านี้เราเนรมิตขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุใร เพราะเราได้มีความคิดอย่างนี้มาก่อนว่าโอ๋หนอแม้สัตว์เหล่าอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้างความตั้งใจเขาเราเป็นเช่นนี้และสัตว์เหล่านี้ก็ได้มาเป็นเหมือนอย่างที่เราตั้งใจแม้พวกสัตว์ที่เกิดมาภายหลังก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนี้แลเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นใหญ่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 เพราะพวกเราได้เห็นพระพรมผู้เจริญองค์นี้เกิดในที่นี่ก่อนส่วนพวกเราเกิดมาภายหลังดูก่อนพิษสุทั้งหลายบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์ที่เกิดก่อนมีอายุยืนกว่ามีผิวพันธุ์งามกว่ามีศักดิ์ใหญ่กว่าส่วนสัตว์ที่เกิดภายหลังมีอายุน้อยกว่ามีผิวพันธุ์ทรามกว่ามีศักดิ์น้อยกว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นฐานะที่จะมีได้ที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากหมู่นั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเมื่อออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตแล้วอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยการประกอบเนืองเนือง อาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนาสิกานโดยชอบแล้วได้สัมผัสเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องให้จิตตั้งมั่นตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนนั้นได้เกินกว่านั้นไประลึกไม่ได้เขากล่าวอย่างนี้ว่าผู้ใดแลเป็นพรหมผู้เจริญเป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ไม่มีใครข่มได้ เห็นทองแท้เป็นผู้ใช้อำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้เนรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วงการเป็นผู้มีอำนาจเป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็นพระพรหมผู้เจริญได้เนรมิตพวกเราพระพรหมผู้เจริญนั้นเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงทน มีความไม่แปรปลวนเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปอย่างนั้นทีเดียวส่วนพวกเราที่พระพรมผู้เจริญในลมิรแล้วนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอายุน้อยมีความเคลื่อนเป็นธรรมดาจึงมาเป็นอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นฐานะที่หนึ่งที่สมณะพรามพวกหนึ่ง อาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงปัญญัตัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงร่วงไปช้านานมีความหมายแค่ไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบางครั้งบางคราวมีสมัยที่โลกนี้พินาศโดยร่วงไปช้านาน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 ได้นำมาอ้างไว้ครั้งหนึ่งแล้วแต่เพื่อต้องการจะให้ศึกษาข้อความอันนี้ให้ละเอียดจึงได้นำมากล่าวอีกครั้งหนึ่งและในข้อความตอนนี้มีปัญหาที่น่าสงสัยก็คือคำว่าล่วงไปช้านานนั้นมีความหมายแค่ไหนจากข้อความที่เป็นวาลีซึ่งมีอยู่ในพรหมชาลสูตร ถ้าไตรปิฎกเล่มที่เกหน้า23ข้อส1อถ้าจะแปลกันตามตัวจริงๆแล้วก็จะเป็นดังนี้คือภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นมีอยู่คือสมัยที่โลกนี้ได้ล่วงมานานแล้วซึ่งในสมัย น, นั้นบางครั้งบางคราวโลกนี้เกิดพินาศเมื่อโลกกำลังพินาศอยู่มูสัตว์โดยมากก็ไปเกิดในชั้นอาภัสราพรม และอื่นๆดำรงอยู่ในภพนั้นคือในภพของอาพัสระพรมตลอดการช้านานคำว่าทีคัสสะอัทุโนอัจเยนะซึ่งตามตัวแปลว่าโดยการล่วงไปแห่งเวลาช้านานในพระไตรปิฎกไม่มีอธิบายไว้ว่านานเท่าไรและในคำพีสุมังคละวิลาสินี ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายพระไตรปิฎกตอนนี้ก็ไม่ได้อธิบายแต่แปลอธิบายคําว่ากิรังทีข ม, มัตทานังติดฐันติแปลว่าผู้ที่ไปเกิดอยู่ในชั้นอาพัสละพลมนานได้ดํารงอยู่ในภพนี้นานนับเป็นกับกับอย่างสูงนับได้ถึงแปดกับขอให้สังเกตให้ดีว่าครั้งแรกเมื่อโลกพินาศนาน มูสัตว์โดยมากไปเกิดเป็นพรหมชั้นอาภัสราซึ่งเป็นพรหมที่ได้ทุติยชาญขั้นสูงคือพรหมชั้นนี้มีสามระดับผู้ที่ได้ทุติยชาญขั้นต่ําหรือเกรดต่ําจะไปเกิดเป็นพรหมมีชื่อว่าปริตตาภาถ้าได้ขั้นกลางหรือเกรดกลางจะไปเกิดเป็นพรหมมีชื่อว่าอัปมานาภา ถ้าได้ขั้นสูงหรือเกรดสูงก็จะไปเกิดเป็นพรหมมีชื่อว่าอาภัสราผู้ที่ได้ทุติยาชานและชานไม่เสือ่อมจนกระทั่งตายนั้นเมื่อตายไปแล้วจะได้ไประเกิดเป็นพรหมในชั้นทุติยภูมิซึ่งมีชื่อตามลำดับว่าปริตตาภาอาปรมานาภาและอาภัสราหรืออาพัสระดังที่กล่าวมานี้ และข้อความต่อมาก็ได้กล่าวว่าเมื่อจุติจากพรมชั้นอาภัสราแล้วก็มาเกิดในภูมิที่ต่ำกว่าคือเกิดเป็นมหาพรมซึ่งข้อความในพระไตรปิฎกตอนนี้กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบางครั้งบางคราวมีสมัยที่โลกนี้กลับเจริญโดยล่วงไปช้านานเมื่อโลกกาลังเจริญอยู่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 ดำรงอยู่ในภพนั้นตลอดกาลช้านานขอให้สังเกตว่าเมื่อจุติจากพรหมชั้นอาภัสรามาเกิดเป็นมหาพรหมซึ่งเป็นพรหมชั้นสูงสุดในฌานขั้นปฐมภูมินานก็ดำรงอยู่ในภพนี้หรือภินี้ช้านานเหมือนกันสังเกตให้ดีว่าคำบาลีคำเดียวกันนี้ท่านอธิบายไม่เหมือนกัน คือเมื่อตอนอยู่ในชั้นอาภัสรา น, นคำว่าดำรงอยู่ในภพสิ้นกาลานานหมายถึงดำรงอยู่ได้อย่างสูงถึงแปดกับส่วนตอนที่อยู่ในชั้นมหาพรหมนั้นดำรงอยู่ได้นานประมาณหนึ่งกับหรือครึ่งกับทั้งนี้ก็เพราะพรหมชั้นอาภัสราเป็นพรหมที่สูงกว่าชั้นมหาพรหมและมีอายุขยมากกว่ามหาพรหม พรหมในขั้นปสมชาญ น, นั้นได้จัดลําดับไว้ดังนี้คือถ้าได้ปสมชาญเกรดต่าก็ไปเกิดเป็นพรหมปาริสัตชาถ้าได้เกรดกลางก็ไปเกิดเป็นพรหมปูโรหิตาถ้าได้เกรดสูงก็ไปเกิดเป็นมหาพรหมมาซึ่งโดยทั่วไปเรียกกันว่าเท้ามหาพรหมอันหนึ่งคำว่าโลกพิน า, น, านั้นคําบาลีในพระไตรปิฎก ใช้คำว่าโลโกสังวัตติคําว่าสังวัตติอธิกถาอธิบายว่าได้แก่วินัสติคําว่าโลกเจริญบาลีใช้คําว่าโลโกวิวัตติและคําว่าวิมานพรมว่างเปล่าในที่นี้หมายถึงในพบหรือในภูมิของพรมชั้นมหาพรมนั้นว่างเปล่า คือยังไม่มีใครมาเกิดอยู่ในภูมินี้ครั้นแล้วต่อมาเกิดมีพรมตนใดตนหนึ่งจุติจากพรมชั้นอาภัสระมาเกิดเป็นพรมอยู่ในภูมินี้เพราะสิ้นบุญหรือสิ้นอายุขอให้สังเกตให้ดีว่าคำว่าโดยการเวลาร่วงไปนานกว่าโลกนี้จะเกิดความพินาศ ซึ่งในคำพีไม่ได้บอกไว้ชัดว่านานแค่ไหนแต่ตอนที่เกิดเป็นอาภาสราพรมและดำรงอยู่ในภพนี้นานนักหนานานท่านบอกว่าอย่างสูงไม่เกินแปดกับและตอนที่มาเกิดเป็นมหาพรหมและดำรงอยู่ในภพชั้นนี้นานกว่าจะมาเกิดในรอบมนุษย์นานคำว่าอยู่ในภพชั้นนี้นานนา น, า น, าน ท่านบอกว่าประมาณกับหนึ่งหรือครึ่งกับและในระหว่างที่จุติจากอาพาสพราพลมมาเกิดเป็นมหาพลมนี้โลกมนุษย์ก็ร่มเกิดขึ้นมาอีกซึ่งในช่วงนี้ท่านบอกว่านานประมาณกับหนึ่งหรือครึ่งกับฉะนั้นจึงเป็นอันสรุปใจความได้ว่าคําว่าโดยเวลาล่วงไปนาน จนถึงการที่โลกนี้เกิดพินาศนั้นจะต้องเป็นเวลาหลายกับเพราะถ้านับตอนที่อยู่ในชั้นอาภัสรากว่าจะจุติก็กินเวลาอย่างสูงไม่เกิน8กับตอนนี้โรกมนุษย์ก็ยังไม่เกิดและเมื่อมาอยู่ในชั้นมหาพรหมซึ่งกินเวลาประมาณกับหนึ่งหรือครึ่งกับนั้นโลคมนุษย์ก็ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้